ทอดกะถินนะที่วัดป่าสุกตโตนะก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วรอแต่เพียงพระอนุโมทนานะการทอดกะถินในส่วนของคารวาสนะก็เป็นอันสิ้นสุดหลายคนก็จะรู้สึกอิ่มบุญนะที่จริงไม่ต้องรอให้การทอดกะถินเสร็จสิ้นนะเพียงแค่ พวกเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาร่วมบุญนี้แล้วก็พาตัวมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อเช้าหรือว่าก่อนเที่ยงก็แล้วแต่ก็ถือว่าได้บุญแล้วนะหรือแม้แต่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะแต่ว่าได้ร่วมในการ ทำให้บุญกถินนี้เกิดขึ้นได้เช่นอาจจะจัดหาผ้ากถินมาถวายหรือว่าช่วยบอกบุญให้สาธุชนได้มาร่วมทำบุญกถินในวันนี้แม้การทอดกถินยังไม่เริ่มก็ถือว่าบุญนั้นได้สำเร็จแล้ว ส่วนผลที่เกิดขึ้นนะจากความตั้งใจและความเพียรพยายามของเราอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เราไม่ต้องรอให้ผลเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราหรือว่าไม่ต้องรอให้การทำบุญนั้นเสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการก็ขอให้ได้ตระหนักว่าบุญได้ เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เรามีความตั้งใจมีเจตนาและก็ได้ลงมือทาอันนี้ก็ถือว่าการทาบุญได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็ว่าได้แต่หลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าต้องรอให้ผลบังเกิดขึ้นซะก่อน หรือว่าการทอดนะเสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการซสีย ก, ก่อนนะจึงจะได้บุญอันนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เวลาเราทําอะไรก็ตามแม้กระทั่งทํางานบุญเนี่ยเราก็มักจะตั้งเป้าเอาไวนะ้บางทีก็ตั้งเป้าที่ยอดเงินนะว่าน่าจะได้เท่านั้นเท่านี้แล้วพอเราเอาใจนะไปไปปักอยู่ที่ เป้าหมายหรือผลสำเร็จทรานผลนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการหรือว่ายอดเงินไม่ถึงเป้าจิตก็เศร้าหมองแต่ถ้าว่าได้ตระหนักว่าเมื่อเรามีศรัทธามีเจตนาและมีความเพียรพยายามทมครบถ้วนแล้วนะส่วนผลนั้นนะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือเกิดขึ้นหรือไม่อย่างที่ตั้งใจทั้งหมดที่เราได้ทำเนี่ยมันก็ถือว่าทำให้บุญเนี่ยได้สำเร็จแล้วอย่าไปเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันไปอยู่ขึ้นอยู่กับผลที่เรามุ่งหวังถ้าได้ผลอย่างที่ตั้งใจก็ได้บุญถ้าไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจนะ บุญก็ลดน้อยถอยลงไม่ใช่เช่นนั้นเลยการประกอบเหตุนะตรงนี้แหละเป็นตัวบ่งชี้นะถึงบุญที่จะเกิดขึ้นเราต้องแยกระหว่างการประกอบเหตุกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำเหตุให้เต็มที่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าบุญได้เกิดขึ้นแล้ว นะส่วนผลจะเป็นอย่างไรมากหรือน้อยตรงตามคาดหวังหรือไมนะ่นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ตั้งใจนะมันก็ไม่ได้ทำให้บุญที่เราได้บาเพ็ญ น, นั้นลดน้อยถอยลงไปเลยมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อโตนะท่านยังมีกำลังวังชา ท่านจะไปทอดกระถินที่อ่างทองวัดท่านเนี่ยอยู่วัดระครังก็ต้องนั่งเรือกว่าจะไปถึงอ่างทองนี้ก็ต้องข้ามวันข้ามคืนกลางทางเนี่ยดึกแล้วท่านก็เลยพักอยู่ที่โบดแห่งหนึ่งนะริมแม่น้ําส่วนเรือที่ท่านขน เครื่องทยธรรมสำหรับไปร่วมงานกฐินนั้นเนี่ยซึ่งมีอยู่เต็มเรือนะก็ให้เรือเนี่ยจอดไว้นะที่ท่าน้ำตัวหลวงพ่อเนี่ยไปนอนในโบสแล้วก็มีคนเรือนะเฝ้าเรือเอาไว้แต่พรากว่าคนเรือเนี่ยนะ หลับแล้วหลับสนิทด้วยคงเพราะเหนื่อยกลางดึกเนี่ยโจนเห็นหลวงพ่อโตนะขนเครื่องไทยธรรมมาเต็มเรือก็เลยนะเอาเรือมาเทียบกลางดึกแล้วขนเครื่องไทยธรรมทั้งหลายที่หลวงพ่อโตเตรียมมาไว้จนหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะ ว่าเรื่องขึ้นพอหลวงพ่อโตทราบว่าเครื่องใช้ทาทั้งหมดที่ขนมาจากวัดระฆังไม่เหลือไม่แต่ชิ้นเดียวแทนที่ท่านจะโกรธท่านกลับดีใจท่านก็ยิ้มนะแล้วเมื่อท่านพายเรือกลับวัดระฆังนะกลางทางเนี่ยชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตก็ถามหลวงพ่อโตว่าทอดกรินเสร็จแล้วเหรือหลวงพ่อบอกทอดเสร็จแล้วจ้า เอาบุญมาแบ่งมาให้ด้วยเอาบุญมาฝากด้วยสำหรับหลวงปะ่ะโตเนี่ยการทอดกระถินได้เสร็จแล้วนะเพราะว่าท่านได้ทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เครื่องใช้ธรร์ทั้งหลายท่านก็เตรียมไว้แล้วนะเมื่อท่านได้ประกอบเหตุเต็มที่แล้วนะก็ถือว่าได้ทาเสร็จสิ้นแล้วส่วน จะมีของให้ทอดที่วัดหรือไม่นะอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญท่านถือว่าท่านได้นะทำเต็มที่แล้วแล้วก็จะเรียกว่าท่านทาสาเร็จแล้วก็ได้คือเสร็จสิ้นตามเหตุปัจจัยที่นะควรจะเป็นเพราะนั้นเนี่ยหลวงพ่อโตท่านก็เลยไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยนะที่ของที่เตรียมมาไว้เนี่ยนะ ไม่สามารถจะนําไปทอดที่วัดที่อ่างทองได้จะเรียกว่าหลวงพ่อตัวต้อให้ความสําคัญนะกับความเพียรนะเมื่อได้ทําความเพียรได้ครบสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะก็ถือว่าน่าพอใจแล้วส่วนที่เหลือนะก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่งท่านไม่อาจควบคุมได้คนเราเนี่ยเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าเราให้น้ำหนักกับการสร้างเหตุปัจจัยนะและทำเต็มที่ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะทำงานได้แม่มีความสุขไม่ใช่เฉพาะงานบุญเท่านั้นนะแม้จะเป็นงานอย่างอื่นนะจะเรียกว่าเป็นงานทางโลกก็ได้สมัยที่ท่านเจ้าพุธท่านยังมีชีวิตอยู่ ส่วนโมกพระรามเนี่ยก็มีการก่อสร้างอาคารอยู่เรื่อยๆมีคราวหนึ่งนะขด้าสงกับหลวงพ่อก็ดํำริสร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวาเรียกสันสันาเรือก็เช่นเดียวกับอาคารทั้งหลายนะที่ส่วนโมกคือใช้เวลานา น, านหลายเดือนมีโยมคนหนึ่งเนี่ยคุ้นเคยกับส่วนโมกแล้วท้าจากพุทธทาส มากราบหลวงพ่อแล้วก็ถามว่าเรือสร้างเสร็จหรื อ, อยังหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าเสร็จแล้วโยงนั้นก็แปลกใจเพราะเมือ่อสองสเดือนก่อนเนี่ยเรือเนี่ยเพิ่งสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวทําไมเนี่ยแค่สอามเดือนผ่านไปเรือเสร็จแล้วดีใจนะไปดูบอกว่าเรือก็ยัง สร้างเกินครึ่งไม่ถึงไหนก็เลยกลับมาถามทาธธา่านอาจารย์พุทธาธว่าท่านอาจารย์เรือยังสร้างไม่เสร็จเลยทำไมถึงบอกว่าสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าเสร็จแล้วเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จสำหรับทาบ่ธธานอาจารย์พุทธทาสเนี่ย สิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่การทำงานให้เต็มที่เมื่อเราทำเต็มที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ครบถ้วนแล้วก็ถือว่าเสร็จส่วนผลจะเป็นยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับท่านแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยความสำคัญอยู่ที่ประกอบเหตุให้เต็มที่ส่วนผลนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่ง ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่าเจ้าพระท่านเนี่ยเมื่อทำงานเต็มที่ตลอดทั้งวันแล้วถึงเวลาวางมือถึงเวลาวางอุปกรณ์วางค้อนวางสิ่วท่านก็ไม่ใช่วางแค่นั้นท่านก็วางงานลงจากใจด้วยถือว่าทำเสร็จแล้ว เพียงแต่ว่าผลเนี่ยมันจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่คําว่าเสร็จของท่านเนี่ยก็คือว่าทําเหตุสร้างปัจจัยหรือทําความเพียรให้เต็มที่และครบถ้วนสําหรับผู้ปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเมื่อสร้างเหตุหรือว่าประกอบปัจจัยให้เต็มที่ครบถ้วนแล้วก็ปล่อยวางผลได้ ปล่อยให้ผลนั้นมันแสดงตัวออกมาเองซึ่งมันจะปรากฏอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับที่เหตุปัจจัยถ้าเป็นชาวจีนเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับฟ้าดินยังมีภาษิตว่าเนี่ยความเพียรอยู่ที่มนุษย์แต่ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าดินอันนี้พูดแบบจีนถ้าพูดแบบพุดก็คือว่าอยู่ที่เหตุปัจจัย ซึ่งจำนวนมากเราควบคุมไม่ได้นั้นถ้าหากว่าเราทํางานเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแต่ขยนันขันแข็งแต่ว่าเราวางใจถูกเราก็ทํางานได้มีความสุขและเมื่อถึงเวลาที่เราจะทําบุญนะงานบุญที่เราทำเนี่ยเมื่อเราทําเต็มที่แล้วผลจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่พอเราทําเต็มที่นะจึงได้บุญเต็มเต็มอันนี้คือสิ่งที่เราพึงตระหนักนะเวลาเราทําความดีทําบุญสร้างกุศลหรือทําอะไรก็ตามเพียงแค่ความตั้งใจดีและการประกอบความเพียรอย่างเต็มที่นี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็จะมีความทุกข์และที่จริงแล้วเนี่ยด้วยเหตุ น, นี้นะ เมื่อเราทำบุญเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขามไม่ได้คือการรู้จักวางใจให้เป็นเพราะถ้าเราทำบุญแล้วแต่เราวางใจไม่เป็นเอาจิตไปตั้งไปจดจอ่อให้ไปให้ค่ากับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดเงินหรือว่าจำนวนคนที่มาเราก็จะทุกข์ได้ง่ายทำบุญเนี่ยแต่ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะเพราะว่า วางใจไม่เป็นการวางใจให้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องธรรมะไม่ว่าจะเป็นเข้าใจความจริงว่าสิ่งต่างๆจะสาเร็จได้โดยอยู่ที่เหตุปัจจัยมากมายซึ่งจำนวนมากเราควบคุมไม่ได้เช่นดินฟ้าอากาศตั้งใจเต็มที่เลยมาออกโรงทาน แต่ฝนตกหนักนะคนมาก็น้อยคนมาอุดหนุนก็ไม่มากถ้าวางใจไม่เป็นก็ทุกข์นะคิดว่าได้บุญน้อยแต่ีจริงบุญเนี่ยมันได้ตั้งแต่นะตั้งใจแล้วก็เตรียมข้าของมาตั้งโรงทานแล้วแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นไปนอย่างที่ตั้งใจหรือไม่เนี่ยอยู่ที่เหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่มีแค่ดินฟ้าอากาศนะแต่มีอีกมากดังนั้นทําบุญเนี่ยนะจะต้องวางใจให้เป็นและถ้าเราเข้าใจธรรมะนะเราน้อมธรรมะมาใส่ตัวการวางใจให้เป็นการวางใจใถูกก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทําบุญเนี่ยเราย่อมปรารถนาที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต สิ่งดีๆนั้นบางทีเราก็สรุปด้วยคำว่าพรสิทธ์ประการคืออายุวันนาสุขภะละอาจจะมีเพิ่มมาอีกสองคือปฏิพานธนาสารสมบัตินอกจากหวังจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วก็ยังหวังต่อไปว่าบุญนั้นเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งเวลวร้ายสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบุญนั้นเนี่ยก็สามารถจะ ทำ2ประการนี้ให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้เป็นหลักประกันร0 0เว่าเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างที่ตั้งใจทันอกทันใจเสมอไปแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามันจะป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้าย ไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างร้อยเปอร์เซนต์หมายความว่าแม้เราจะทำบุญสร้างความดีอย่างไรก็จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวางใจเป็นนะร้ายมันก็จะกลายเป็นดีหรือว่าหนัก ก็จะกลายเป็นเบานะอย่างมีผิ้หญงคนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งที่ไหนเป็นมะเร็งที่สมองเธอก็อายุยังไม่มากนะแค่14ปนะีวันหนึ่งจิตอาสามาเยี่ยม เห็นเธอก็สงสารนะเพราะว่าผมเธอร่วงหมดนะก็เข้าไปสนทนาพูดคุยแต่ว่าเด็กคนนี้โอภาปาสายกับจิตอาสาดีมากชวนจิตอาสาวาดรูปจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปสักพักเธอก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูก มีจากคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเธอปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองมันไม่ใช่ง่ายนะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งสมองแล้วจะมองว่าตัวเองโชคดีแต่พอมองว่าตัวเองโชคดีแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์มันก็บรรเทาเบ า, บาบางไปเยอะจริงๆอย่าว่าแต่ความเจ็บป่วยที่หนักหนาสาหัสอย่างนั้นเลยนะ แม้กระทั่งสิ่งไม่ดีที่เราประสบในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้บ้างมันก็จะคลายความทุกข์ไปได้เยอะมีพิธีกคนหนึ่งเนี่ยเธอไปปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่งต้องนั่งสมาธิทั้งวันและเธอไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนั่งไปได้สองสาวันเนี่ยรู้สึกอึดอัดหงุหงิดมาก เพราะว่าความคิดมันฟุง้งออกมาเยอะเหลือเกินเธอก็ไปเข้าใจว่ามันต้องไปดับความคิดต้องไปกดความคิดไม่ผุดไม่โผล่ยิ่งทำก็ยิ่งหงุดหงิดอึดอัดจิตใจรุ่มร้อนจนอยากจะกรีดร้องออกมามันอัดอั้นเหลือเกินทุกทรมานอย่างมากแต่ว่าช่วงขณะนั้นเองเนี่ยเธอก็เหลือบไป เหลือมองไปเห็นผู้หญิงคนนึงนะอายุก็ไล่ๆกันกำลังนั่งแล้วก็ตบอกต อ, อกตัวเองทุบออกตัวเองทุบออกหลายทีเลยพอเธอเห็นผู้หญิงกำลังทุบอกนะเธอรู้สึกโล่งเลยเพราะรู้สึกว่าโโหโชคดีนะที่เราไม่หนักแบบเขาไอเรานี่เบาเขาเยอะเลย พมองเห็นว่าตัวเองโชคดีนะความทุกเนี่ยที่มันอัดแน่นนี่มันเบาไปเลยเวลาเราเจอทุกนะเพียงแค่เรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นความโชคดีไอ้ความทุกที่เคยอัดอั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเบาขึ้นมามีหมอคนนึงนะ ที่จริงก็ไม่เชิงเป็นหมอหรอกนะเกือบจะเป็นหมออยู่แล้วเรียนปีสี่แต่ตอนหลังทนไม่ไหวเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกวันนึงก็เลยไปบอกพ่อว่าพ่อผมทนไม่ไหวแล้วนะผมไม่อยากเป็นหมอแล้ว ผมอยากจะไปเรียนเ b a Finance มากกว่าเพราะผมอยากจะเป็นนักวิเคราะห์การเงินผมจะลาออกจากนักศึกษาแพทย์แล้วผู้เป็นพ่อนี่ช็อกเลยนะโกรธเรียกว่าแทบจะใจสลายเลยเพราะคาดหวังจากลูกมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะ แล้วก็ทุกหนักจนแท่ไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนแต่วันหนึ่งเนี่ยขณะที่นอนกระสับกระส่ายพยายามขมตาให้หลับเนี่ยนึกถึงพี่ชายซึ่งเป็นหมอใหญ่พี่ชายคนนี้เนี่ยลูกเขาเนี่ยพิการแต่กำเนิดช่วยตัวเองไม่ได้เลยผู้เป็นพ่อเนี่ย มีความทุกข์มากสุดท้ายต้องไปหาเหล้ามาดับทุกข์จนเป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ตายก่อนวัยอันควรพอเขานึกถึงลูกของพี่ชายเนี่ยได้คิดเลยนะว่าตัวเองโชคดีนะลูกชายของเราสุขภาพก็ดีแข็งแรงไม่เกก เ, เ ก, กเมล็ดเกลเย อีกทั้งเขายังรักในสิ่งที่อีกทั้งเขายังรู้ว่าในวิชาที่เขารักและเชื่อว่าถ้าเขาเรียนวิชาที่เขารักเขาก็จะประสบความเจริญได้ไม่ยากพ่อมอแบบนี้นะว่าตัวเองโชคดีนะกว่าพี่ชายนะใจมันโล่งเลยนะหายทุกเลยที่เป็นพ่ออะไรนะ เพราะการที่รู้จักมองรู้จักวางใจไม่ว่าจะเป็นเพราะป่วยไม่ว่าจะทุกข์เพราะป่วยไม่ว่าจะทุกข์เพราะอึดอัดจากการปฏิบัติหรือไม่ว่าจะทุกข์เพราะว่าลูกชายไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจแต่ความทุกข์ทั้งมวล น, นี่มันก็จะเบาลงเมื่อเรามองว่าเราโชคดี อันนี้ก็เป็นวิธีการมองแบบหนึ่งนะซึ่งมันเชื่อเหนเลนน่าว่าสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่การวางใจและจริงๆเนี่ยเวลาเรามองว่าเราทุกเพราะว่ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความทุกเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เรามองสิ่งนั้นว่ามันไม่ดีอันนี้ทางพุท ทางพระเรียกว่าการปรุงแต่งอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ว่าการปรุงแต่งในใจเราถ้าปรุงแต่งว่าดีก็ไม่ทุกข์ถ้าปรุงแต่งว่าเลวก็ทุกข์ถ้ามองว่ามันน้อยก็ทุกข์ถ้ามองว่ามันมากก็ไม่ทุกข์หลวงพ่อชาท่านบอกว่าเนี่ยไม้เนี่ยนะ ถ้าเกิดเราต้องการไม้ที่ยาวกว่านั้นไอ้ไม้ที่มันอยู่ข้างหน้าเรามันก็สั้นแต่ถ้าเราต้องการไม้ที่สั้นกว่านั้นไอ้ไม้ที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็ยาวอูกอีกอย่างนคือมากหรือมากหรือน้อยสั้นหรือยาวอยู่ที่ความอยากของเราดีหรือชั่ว นะก็เหมือนกันนะอยู่ที่การปรุงแต่งในใจเราพ่อของนักศึกษาแพทย์เนี่ยเนื่องจากได้มีการให้ค่าหรือปรุงแต่งว่าเรียนหมอดีกว่าเรียนการเงินหรือ finance ก็ทุกเมื่อลูกนะเลิกเรียนหมอมาเรียน finance แต่ถ้าเกิดว่าให้ค่ากับการเรียน finance ว่ามันดีแกก็ไม่ทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อรู้ว่าลูกจะขอไปเรียน finance ดังจะว่าไปล้วเนี่ยการที่ลูกเนี่ยเลือกเรียนหมอมาเรียน finance เนี่ยมาไม่ได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของผู้เป็นพ่อนะแต่เป็นเพราะผู้เป็นพ่อเนี่ ย, ปปยไปให้ค่ากับการเรียน finance ว่ามันต่ําต้อยกว่าการเรียนหมอ พอลูกเลิกเรียนหมอไม่เรียนฟนแนนซ์พ่อก็เลยทุกข์แต่ถ้าปรับใจใมายว่าเนี่ยไอเรียนฟินแนนซ์มันก็ไม่ได้ตำต้อยากว่าการเรียนหมอพ่อจะทุกข์ได้อย่างไรหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่ยลองถามใจเราดูนะมันเป็นพ่อเราไปให้ค่าหรือปรุงแต่งมาในทางลบหรือเปล่าเช่นคำตาหนิคำตีเตียน หลายคนพอเจอแล้วก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปให้ค่าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเราเจอคำตำหนิติดเตียนเราก็ไม่ทุกข์มีเศรษฐีคนหนึ่งนะร่ำรวยแต่ว่าติดดินเป็นผู้ก่อสร้างเมืองโบราณนะขุณเด็กวิริยพันธ์ก็รวยมากนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับคา ตำหนิติฉินนะเพราะอะไรอาจะเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลแปลว่าอะไรแปลว่าคำตำหนิเป็นมงคลเพราะทำห้รู้ว่าตัวเองนี่มีข้อบกพร่องตร ง, ตรงไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขพอ ม, มองว่าคำตำหนินะเป็นมงคลนะเจอคำตำหนิเข้าใจจะทุกได้มาใจก็ไม่ทุก นะแต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปให้ค่ากับคําตําหนิว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอเจอหรือได้ยินคําตําหนิทุกทันทีเลยจะทุกข์หรือไม่เนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าเราเจอคําตําหนิหรือไม่นะมันอยู่ที่ว่าเราให้ค่าหรือปรุงแต่งนะคําตําหนินั้นอย่างไรถ้าเราให้ค่าไปในทางลบเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราให้ค่าไปในทางบวกนะว่าเป็นประโยชน์เป็นมงคลเราก็ไม่ทุกข์นะ เวลาเราทุกข์หงุดหงิดเนี่ยเพราะเสียงดังเนี่ยมันเป็นเพราะเสียงหรือเป็นเพราะใจของเราไปให้ค่ามันในทางลบเสียงเล่ยโยนกระทบหูไว้นะหลายคนจะหงุดหงิดมากเพราะเราไปให้ค่าว่ามันคือเสียงดังนี่การปรุงแต่งเพราะเสียงก็เป็นเสียงธรรมดาแตเพรแต่เราปรุงแต่งให้ค่ามันเป็นมันเป็นเสียงดังเนี่ยเราทุกข์เราหงุดหงิดทันทีนท แต่มีบางคนนะเวลาเจอเสียงเร่ยยนมากระทบหูขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยทีแรกก็ใจกระเพื่อมนะคล้องมุนหงิดแต่ก็มีสติรู้ทันรักษาใจให้เป็นปกติได้ตอนหลังไปพิจารณาเสียงนั้นดูนะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเสียงเพลงเลยเพราะว่ามันมีเสียงสูงเสียงต่ำ มีกระชากกระชั้นแล้วก็เสียงรักยาวบางทีก็เบาบางทีก็ดังพิจารณาไปเหมือนเสียงเพลงเลยเพยงเพลงแบบเอฟวีนะเอฟวีเมทัลพอหมอเป็นเสียงเพลงนะใจเขาสงบเลยรับเพลินด้วยเมื่อกี้เนี่ยยังงุดงิดอยู่เลยพอไปให้ค่าว่าเป็นเสียงดังแต่ตอนนี้ไปให้ค่าหรือมองว่ามันเป็นเสียงเพลง หายงุดหิดเพลินด้วยซ้ำมีบางช่วงเนี่ยเสียงมันหายไปยังอยากจะให้มันดังกลับมาอีกเลยอันนี้มันเชื่อเลยนะว่าสุขหรือทุกเนี่ยอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การให้ค่าของเราให้ค่าในทางลบหรือให้ค่าในทางบวกดีหรือร้ายสูงส่งหรือต่ำต้อยอยู่ที่ใจเราทั้งนั้น นอกจากการให้ค่าหรือการปรุงแต่งแล้วเนี่ยความทุกข์ในใจเราเมันยังเกิดขึ้นจากการที่เราไปมีอาการผลักใสแล้วรก็ตามเนี่ยถ้าว่าใจเราเนี่ยผลักใสนะมันทุกข์ทันทีเลยนะอย่างเสียงโทรศัพท์มือถือริงโทนถ้าดังขึ้นมาเนี่ยมจะเป็นเสียงที่ไพเราะนะอาจจะเป็นเสียงเพลงพรมลิขิตนะแต่พอใจเราผักใสนะ เพาเห็นว่ามันผิดกาลเทศะเราทุกข์เลยเราหงุดหงิดเลยเราไม่ได้หงุดหงิดเพราะเสียงมากระทบหูนะเราหงุดห ง, งิดเพราะใจเนี่ยมันไปต่อต้านเสียงนั้นลองสังเกต ด, ดูนะมีโยงคนนึงเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่งหลังจากที่นอนคืนแรก วันรุ่งขึ้นเจ้าสำนักก็ถามว่าเป็นยังไงนอนหลับได้ไหมบอกทีแรกนอนไม่หลับเลยเอาทำไมล่ะหานมันร้องเสียงดังมันร้องเสียงดังจนเที่ยงคืนตอนหลังผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้อัดเสียงบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่าน ก็เลยเอาหูฟังเนี่ยเสียบหูแล้วก็ฟังเสียงบรรยายจากโทรศัพท์มือถือก็เลยหลับได้อาจารย์เจ้าสำนักจึงถามว่าระหว่างเสียงหานร้องเนี่ยกับเสียงบรรยายจากโทรศัพท์มือถืออะไรดังกว่ากันชายนั้นบอกเสียงจากโทรศัพท์มือถือครับเพราะว่าเสียบหูเนี่ย อ้าวทำไมเสียงจากครูบาจารย์เนี่ยมันดังจึงหลับแต่เสียงหานเนี่ยเบาวกว่าทําไมจึงนอนไม่หลับก็เพราะว่าไปมองว่าเสียงหานเนี่ยเสียงดังก็เลยผักสเสียงนั้นแต่ว่าเสียงครูบาจารย์เนี่ยใจชอบอยู่แล้วอยากจะฟังใจก็เลยไม่ผักส ย, ยอมรับก็เลยหลับได้ ก็เป็นอารว่าที่หลับไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงดังหรือไม่ดังแต่เป็นเพราะว่าใจยอมรับหรือว่าใจผลักใส่น้อยคนนะที่จะทานมาเห็นเหตุแห่งทุกตรงเนี้ยว่ามันไม่ใช่เพราะเป็นสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงหรือการกระรทมของใครแต่มันเป็นที่ใจเราที่ไปผลักใสหรือยอมรับมีโยมคนนึงนะจะมาปฏิบัติ แม่ปฏิบัติที่นี่นะอีกสํานักหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะ่าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่ต้องมานั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนปวดเมื่อยตั้งแต่วันแรกวันที่สองก็ยิ่งปวดยิ่งเมื่อยวันที่3ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็พยายามที่จะให้กําลังใจตัวเองว่าทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยแต่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีการ ขยับไม่มีการปล่อยให้ผู้ปฏิบัติขยับขยืขย่นหรือว่าเดินลุกความปวดมันรุนแรงนะจกนกระทั่งรู้สึกเหมือนกับว่ากระดูกเนี่ยมันจะหลุดจากกันเขาเนี่ยมันจะเด้งให้ได้เลยแล้วใจก็นึกว่าเนี่ยถ้านั่งนานกว่านี้อีกหน่อยฉันตายแน่ฉันตายแน่ไม่ไหวแล้วจริงๆแต่พอถึงจุดหนึ่งนะ มันมีเสียงในหัวดังขึ้นมาว่าตายก็ตายวะเพราะว่าใจนี่โล่งเลยนะโล่งเลยแล้วก็เหมือนกับโยมคนแรกเนี่ยที่พูดว่าเนี่ย อ, อัดอั้นจนจะทนไม่ไหวเนี่ยแต่พอเห็นเพื่อนนักปฏิบัติเอามือทุบ อ, อกทุบ อ, อกตัวเองเนี่ย เพราะว่าโล่งเหมือนกันเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันที่ปิดคอสนี่ไม่มีการทุรนทุไลกเลยยงเนกเหมือนกันนะพอมันมีเสียงในหัวในหัวขึ้นมาว่าตายก็ตายวะโล่งเลยนะแล้วนับแต่นั้นมาเนี่ยสามารถจะปฏิบัติได้จนปิดคอสถามว่าความเมื่อยทางกายมีไหมมีแต่ว่าความทุกข์ที่ใจมันไม่มีแล้ว เพราะอะไรเพราะมันยอมรับได้ถึงขั้นที่บอกว่าตายก็ตายวะเนี่ยนะแปลว่ามันยอมรับลนะมันยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอยอมรับจิต ก, ก็ไม่ผักใสเพอจิตไม่ผักใสเนี่ยนะก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจก็บัรเทาเบาบางเหลือแต่ความทุกข์กายซึ่งเป็นเรื่องที่ทนได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางใจเหมือนกันนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะซึ่งอามาใช้คว่าการวางใจไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งให้ค่าไม่ว่าจะเป็นการผักไสหรือการยอมรับละที่สมดบางอย่างก็คือการไปแบกการไปยึดด้วย อะไรก็ตามเนี่ยแม้เราจะเจอสิ่งที่ไม่ประสงค์ทั้งนั้นที่มันผ่านไปนานแล้วแต่เราก็ยังทุกข์เพราะอะไรเพราะใจเราไปยึดกับสิ่งนั้นพอมันมีอันเป็นไปเช่นศูนย์สลายหายไปเราทุกข์เพราะความยึดติดถือมัน่นหลวงพ่อโตเนี่ย สูญเสียเครื่องแทนทำไปเนี่ยแต่ท่านไม่ทุกเลยท่านไม่โกรธเลยเพราะท่านไม่ได้ยึดในสิ่งนั้นข้าวของของเราก็เหมือนกันนะเมื่อสูญเสียเราทุกเนี่ยเพราะเรายังยึดในสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เมื่อเราก็ตามที่เราไม่ยึดนะมันก็ไม่ทุกข์ใจมันจะไม่หวนนึกถึง สิ่งนั้นหรือการสูญเสียสิ่งนั้นแต่ที่เราทุกข์เราเสียายเราเศร้าโศกเราคับแค้นเพราะอะไรเพราะใจเรายังหวนไปนึกถึงสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าความยึดติดไม่ปล่อยไม่วางแต่ถ้าเราวางได้ใจไม่ยึดในสิ่งนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ทุกข์หรือถึงแม้จะทุกข์นะมีความเศร้ามีความเสียใจ แต่ไม่ยึดในความเศร้าไม่ยึดในความเสียใจนั้นมันก็ไม่ทุกได้เหมือนกันนะความทุกเนี่ยมันมีอยู่2ขั้นตอนนะหนยึดในทรัพย์สินในสมบัติที่สูญหายไปแล้วยึดในความโศกความเศร้าความขับแคนที่เกิดขึ้นทำอดในการหน้านะเวลามีคนว่าเราเนี่ยเราทุกเราโกรธเพราะเรายึด ในหน้าตาในศักดิ์ศรีพอมีอะไรมากระทบหน้าตาศักดิ์ศรีก็เกิดความโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ยึดในความโกรธนะั้นถ้าไม่ยึดในความโกรธนะเช่นรู้ทันมันความทุกข์ก็จะบรรเทาเบาบางอารมณ์ในทางลบที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยเราห้ามได้ยากนะ แต่สิ่งนี้ที่เราทําได้คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยึดความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีความเครียกก็ดีเราห้ามไม่ได้นะมันเกิดขึ้นตามประสาปุถุชนแต่ว่าเมื่อมันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราสิ่งที่เราทําได้คือรู้ทันแล้วก็ไม่ยึดนั้นเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลตุลอว่าหลวงปู่มีความโกรธบ้างไหมท่านตอบดีท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอา หลวงปู่ไม่ทุกนะไม่ใช่เพราะไม่มีความโกรธ น, นะแต่เพราะท่านไม่เอาคือท่านไม่ยึดพวกเราเนี่ยก็สามารถจะทำได้อย่างนั้นเหมือนกันก็คือแม่มีความโกรธความเครียดความเศร้าแต่เราไม่ยึดเร า, า จ, จะปล่อยวางทรัพย์สมบัติคนรักหน้าตาศักดิ์ศรีได้ยากเพราะยังเป็นปุตุชนยังมีความยึดบ้านถือมาในสิ่งนั้นแต่เมื่อมีอะไรมากระทบสิ่งนั้นแล้วเกิดอารมณ์ โศกเศร้าเสียใจคับแค้นเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ยึดได้เรามีสิทธิ์ที่จะปล่อยวางได้และถ้าเรามีสติฝึกใจไว้อยู่เสมอนะเราจะสามารถรู้ทันในสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่มาปล่อยให้ใจเนี่ยมาเป็นทุกข์ได้แลที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เฉพาะความสูญเสียหรือการกระทบ เพราะการต่อว่าด่าทอนะบางครั้งเนี่ยเราทุกข์กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเราเสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่เยอะมากในชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่รู้ตัวมีคุณยายคนหนึ่งน่าอายุ80กว่านั่งรถโดยสารกลางทางนี่มีผู้หญิงยังสาวเลยนะเป็นผู้หญิง ทำงานมนะั้งสะพายกระเป๋าใบโตเห็นที่นั่งข้างๆ ข, ของคุณยายว่างก็ทิ้งตัวลงตรงนั้นโดยไม่ระมัดระวังปพราะว่ากระเป๋าเนี่ยก็ไปโดนหน้าคุณยายทอนนั้นไม่พอระหว่างที่นั่งแกก็คน้นของในกระเป๋ากระเป๋าก็ไปโดนคุณยายแต่คุณยายแกก็นิ่ง นั่งรถไปแล้ว2อสมป้ายพอใกล้จอดรถใกล้จอดแกก็ลุกพลวดขึ้นมากระเป๋าเนี่ยกวียงจะไปโดนหัวคุณยายแต่คุณยายแกขานี้รูตทันก็เอามือกันเอาไว้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นเหตุการมาตลอดไม่พอใจก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยว่าระวังกระเป๋าคุณน้อยมันไปโดนคนอื่นแล้ว พี่น้องนั้นก็หันมามองผู้ชายคนนั้นอย่างนิ่งเฉยไม่พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้กล่าวคํำขอโทษคุณยายแล้วก็เดินลงจากรถไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นก็เลยอดอดใจไม่ได้ก็เลยถามคุณยายว่าทําไมคุณยายจึงนิ่งเมื่อเจอเรื่องแบบนี้คุณยายตอบดีนะคุณยายบอกว่าอะไรที่ไม่สําคัญเนี่ยก็อย่าไปเสียเวลากับมันเลย เรื่องแบบนี้ถ้าปล่อยไปได้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเดี๋ยวฉันก็ลืมแล้วแต่ถ้าเราไปใส่ใจไปเอาเรื่องเอาราวกับมันเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาสเกิดอารมณ์เสีย เ, เพลเพลจะเสียทั้งวันกลับไปบ้านก็นอนไม่หลับฉั้นคุณย่ายก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่าไปสนใจกับมันเลย แล้วแกพูดต่อที่บอกว่าเนี่ยฉันกับเธอเราไอยู่กันนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่บนรถคันเนี่ยเพียงแค่ชั่วคราวเดี๋ยวไปหน้าฉันก็ลงแล้วอย่าไปงุนงงโธเสียกับเรื่องแบบนี้เลยคุณยายพูดนให้ข้อคิดที่ดีนะเรื่องอะไรที่ไม่สําคัญก็อย่าไปเสียเวลากับมันเลยถ้าเราไปใส่ใจเอาเรื่องเอาราวกับมันเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกัน คนทุกวันนี้เสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เยอะมากพ่อไปให้ค่าไปให้ความสําคัญกับมันอาเป็นเพราะยึดติดในความถูกต้องนะว่าหรือยึดติดในมารยาทนะจะต้องไม่มามีอะไรมากระทบชั้นยึดติดในความถูกต้องว่าเนี่ยนี่ชันมีสิทธิ์นะในในในร่างกายของชั้นเนี่ยอย่ามากระแทกกระเทิ้งอะไรกับชั้นเนี่ยช้าคิดแบบนี้นีก่ก็ทุกข์นะ เหมือนกับถ้ามีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี่ยนะที่จริงก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้าไปหงุดหงิดโผเสียกับมันนะเราขาดทุนนะแะน่ถ้าเรารู้จักวางใจเสียบ้างนะดูแลใจให้ดีอย่าไปเสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องเล็กน้อยอย่าไปเอาเรื่องเอารากับเรื่องที่ไม่สําคัญปัญหาคือทุกวันนี้คนเราเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเป็นเรื่องใหญ่เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ไปหมด นะเพื่อนบ้านส่งเสียงดังก็เป็นเรื่องใหญ่นะใครทาอะไรไม่ถูกใจความหูความตามก็เป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายหาความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้เลยทั้งที่เวลาในช่วยของเราก็เหลือน้อยไปทุกทีทุกทีเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยซึ่งมีคุณค่าเนี่ยมาใส่ใจกับเรื่องสําคัญดีกว่าไอ้เรื่องจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยปล่อยมันไปเถอะนะอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับมันมากนะเพราะว่า เราไม่สามารถจะให้ทุกอย่างในโลกที่มันถูกต้องได้อันตมาก็กล่าวพอสมควรนะก็หวังว่าจะให้ข้อคิดนะที่เป็นประโยชน์นะในการดำเนินชีวิตให้สมกับที่เราได้มาทาบุญในวันนี้อย่างที่บอกนะก็คือว่าทาบุญเราต้องรู้จักวางใจให้ถูกและการวางใจให้ถูกเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะ ผนะู้ ง, งานาคือว่าทาบุญแล้วเนี่ยก็อย่ามองข้ามธรรมะน้อมนำธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตรักษาใจเพื่อไม่ให้ความทุกข์มากุ้มรุมจิตใจสามารถจ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆด้วยใจที่ไม่ทุกข์หรือยิ่งกว่านั้นคือไม่เห็นอะไรที่จะเป็นทุกข์เลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรา หลวงพ่ อ, ขอเขียนนั่นสอนอยู่เสมอนะว่าให้รู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์และถ้าเรารจับเปลี่ยนทุก ok ข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยใจเราก็จะสงบและเปลี่ยนทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนที่ไหนนะเปลี่ยนที่ใจเราไม่ใช่เปลี่ยนที่คนอื่นเพราะเปลี่ยนที่คนอื่นเนี่ยมันยากแต่เปลี่ยนที่ใจเรามันอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ก็ขอขอนุโมทนา ญาติโยมทุกท่านนะทั้งที่มาในที่นี้แล้วก็อยู่ที่บ้านที่ได้มาร่วมกันทำบุญกระถินทั้งด้วยการถวายปัจจัยถวายผ้าแล้วก็มาร่วมกันตั้งโรงทานรวมทั้งมาสละเวลาแรงงานต่างๆเพื่อทำให้งานบุญในวันนี้สำเร็จได้ไดีขอรัตนาคุณพระศรัตนตรยัยตลอดดุจบุญทุกที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในวันนี้ จงอํานวยให้ทุกท่านได้มีอายุวันนาสุขาภะละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมได้ทานศีลภาวนาไหวเยยนเป็นสุขมีความเพียรในการปฏิบัติให้เกิดธรรมะในใจมีสติรักษาใจมีปัญญานาพาชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านทุกประสบความสุขเกมสารเข้าถึงพระนิพพานในนานกตการได้เทิร